ทำทุกวันเพื่อเลื่อนฐานะสองจิตวิญญาณสองเหล่าเราไม่กายเราไม่ใจตายเราก็จินอาหารทุกวันใจก็มีอาหารคือธรรมะนี่ชีวิตของเรามีสองส่ว น, นเน อ, อาไ้ชีวิตมาแบบเดียวกันหมดอวัยวะต่างๆเหมือนกันหมดสังที่เราสวดพระสูตร ในร่างกายนี้มีเหมือนกันหมดได้เกิดขึ้นแล้วเจ็บเจ็บตายไปเหมือนกันหมดชีวิตไม่เที่ยงชีวิตเป็นทุกข์ชีวิตไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราเราใช้ชีวิตอย่างไงไม้เหมันคุ้มค่าเสียทีของเราเรามีกายเราไม่ใจ อามาใช้ให้เกิดมักเป็นผลขึ้นมาในกายในใจนี้แย่ใช่ผิดก็ผิดเป็นทุกข์เป็นโทษถ้าใช่ถูกก็เป็นประโยชน์ชีวิตต้องเป็นชีวิตการเกิดยจริญตายเป็นเรื่องของสามัญลักษณะของกายไม่ใช่ชีวิตชีวิตคือไม่ต้องเป็นอะไรเป็นมักคือผลคือ น, นิพพาน ถ้าเป็นเล่าเลยว่าไม่ใช่ชีวิตเป็นสุกเป็นทุกข์ไม่ใช่ชีวิตเลยเป็นผู้ร่อนเป็นผู้หนาอเป็นผู้หิวเป็นผู้อิ่มไม่ใช่ชีวิตอั่นเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับเพีย้ยปัจจัยเป็นทุกข์ยากลาบากต่อเกิดข้ามทาทงานทํางานเป็ชีวิตไม่ถูกต้อง เออนพอมีอยู่มีจินเ้าก็ใช้ชีวิตถูกต้องตามที่เขาได้มาเหมือนนั่นมันอยู่กับการใช้ของแต่ละคนแต่สิ่งที่ที่เหมือนกันรู้จักกินรู้จักนอนรู้จักหลบภยัยรูจ้จักเสกบกามอันนั่นเป็นวิัยของสัตว์โลกมีอยู่ทั่วไปแต่บางชีวิตก็ไม่จำเป็น ที่จะต้องไปใช่แบบนั้นทั้งหมดอย่าเอาการกินเป็นใหญ่อย่าเอาการนอนเป็นใหญ่อยเอาการกลัวหลบภัยอะไรเป็นใหญ่ภัยชี่มันต้องหลบต้องรีมาเกิดจากเหตุปัจจัยวางอย่างเกิดจากตัวเราเองสิ่งที่น่ากลัวที่จุดคือตัวเรานี้มันทีเราไปกลัวอันอื่นเจนเกินไป ถ้าเรามีชีวิตจึงไม่มีสิ่งใดที่น่ากลัวความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่น่ากลัวความทุกข์ความยากความจนก็ไม่น่ากลัวถ้าเราได้ชีวิตแล้วต่อจะจ น, น้อยเพราะชีวิตจริงๆมีศีลมีสมาธิมีปัญญาปั ญ, ญาเป็นเครื่องปราบปัญหาปราบทุกข์ปราบจนปราบปัญหาต่ า, า, างๆ ฉิงสมาธิปัญญาถ้าขาดฉิญขาดสมาธิขาดปัญญาผิดศิญผิดธรรมมีทุกข์มีโทษนี่คือชีวิตตามความเป็นจริงไม่เป็นอย่างนี้สวาโกรธไม่ใช่ชีวิตความทุกข์ไม่ใชีวิตความวิตกกังวลเศร้มองไม่ใช่ชีวิตวมไม่ใช่ชีวิ ต, วตถ้ามีชีวิตแบบนั้นว่ามีการเกิดเจ็เจ็บตาย เกิดตายเกิดในลักษณะที่เป็นอาการต่างๆจอมขันยึดปันถึงงั้นในความโกรธก็ตายในความโกรธในความทุกข์ก็ตายในความทุกข์ในความรั ก, ก, ค, ว ก, ค, วกความชังก็ตายในความรักความชังมีอะไรก็จนเรื่องนั้นเป็มโลูกก็จนแบบไม่ลูกทุกแบบไม่ลูกสุขแบบไม่ลูกนั่นเป็นโลก คนมีทรัพย์เฉียงเงินทองก็สุขแบบมีทรัพย์เฉียงเงินทองทุกแบบมีทรัพย์เฉียงเงินทองกนมีปัญยาสามีก็สุขแบบพัญยาสามีทุกแบบคนมีพัญยาสามีคนมีช่างมีม้ามีวัวมีควายมีอะไรเยอะแยะก็ทุกแบบคนมีสุขแบบคนมี้มนมีอะไรไม่มีทุกอะไรเลย หมายถึงชีวิตจิตใจที่มันเหนือเหนือได้เหนือเสียเหนือดินธาเหนือเสนเสิญเหนือโศกหนอทุกข์อนเนี้ยเลยไม่มีเจอเจอเจ็บตายลักษณะอันนี้มันไม่ใช่ตายแต่เรื่องร่างกายลูกทำ ม, มันตายในเรื่องวิญญาณเกิดดับเกิดดับเกิดโศกก็ตายในความโศก เก่อทุกข์กตายในความทุกข์ชื่นพวกช่นชาติเกิอเจอเจ็เจตายในพบในชาติแบบนี้วกชาติพบคือภาวะที่เกิดขึ้นมีขันห้าสมบูรณ์มีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณสมบูรณ์แบบถ้าเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามธรรมชาติจะให้ถึงมาเกิงผลได้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 แต่ <c oughs> ถ้ามีอุปทานเข้าไปเจียวค้องไม่เป็นไปตามจริงของกันหน้าแล้วก็เป็นพราเป็นชาติอยู่ตรงนั่นได้เป็นพราะเป็นชาติอยู่ตรงนั่นได้ถ้ามีพราเป็นชาติอยู่ในกันหน้าคี่มือประทานอุปทานมันก็หมาพบชาติต่างๆเป็นแต่เป็นสุรกายเป็นจัตตลกเป็นเดรฉานได้ถ้ามันมี อุปทานในขันหน้าก็เป็นขันล้วนๆเป็นขันที่ทําให้เกิดมรรคผลไม่พานได้ไม่เกิดไม่แจ่ไม่เสียไม่ตายเพราะขันที่มีอุปทานเช่นนั้นเหมากะพ่วงแท่ขอบคุณขันอันนี้มาให้หวนรู้ธรรมไม่ใช่มาให้เป็นทุกข์เป็นโทษเราได้ชื่อมาแบบนี้มันเป็น ความเพียงพอกับการทําความดีชีวิตแบบนี้ต้องถึงมากถึงผลเห้ช้ชีวิตแบบไม่พาเกิดเจ็บตายรอวันเจ็บวันเจ็บวันตายที่ยังมันเจ็บมันเจ็บมันตายทุกวินาทีแต่ในความคิดแก่ในความรักแก่ในความชังเก็บในความสุขในความทุกข์ เกิดคนถวนวลอ้อคนร้องไห้มีลักษณะเดียวกันถ้ามีสุขมีทุกข์ก็มีลักษณะเดียวกันอันเดียวกันสุขทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดจากอุปทานไม่เป็นธรรมเสมอกันหมดถ้ามีสุขก็จะมีทุกข์เป็นคู่กันอยู่ในความสุขในความทุกข์นั้น ามาเป็นประโยชน์จะมาเป็นโทษอย่มาเป็นสุขเป็นทุกข์เรียกว่าเป็นสังขารตัวหนึ่งที่คนมองไม่เห็นในสุขในทุกข์นั้นแต่ต้อหาความสุขความทุกข์ก็ตามไปเวลาหนีทุกข์ความทุกข์ ก, ก, ก็ยังหนีไม่พ้นถ้ามีทุกข์อยู่ถ้าเราเห็นไม่เป็น เป็นทุกไม่ใช่เป็นผู้ทุกออกจากโลกได้บ้างเห็นทุกเป็นผู้ทุกอันนั้นเราอยู่ในโลกต้องเจ็บปวดต้องแก่ต้องเจ็ บ, ต, บ, ต, บต้องตายถ้ากลัวตายถ้าอยากตายอย่างนี้ก็ต้องตายอยู่อันอื่นหลายอย่างถ้าไม่ตายอยู่บนตนัวนี้ก็ไม่ตา ย, ยเล ย, เลยชื่นพบชื่นชาติไปเลย ในโชคในทุกยังเป็นสังขารปัญญาพิสังขารสังขารคือบุญปัญญาพิสังขารสังขารคือบาปเท่าเท่ากันแต่คนที่ไม่รู้นึกว่าต่างกันเขาถกสังขารสองอย่างหลอกชืวิถตถกหลอกจนไม่มีเวลาปกติใน มักผลนิพพานมักผลนิพพานคือมันปกติในจุขในทุกข์ไม่มีปัญหาไม่ทําให้กับเพื่อได้มักผลนิพพานอะชีวเราต้องมีมักผลนิพพานเป็นแก่นสารไม่ใช้อะไรมันเป็นแก่นสารพระพุทธเจ้าด่าพระอานนท์ เอาให้จนมีเก่นคคำดา่าทาให้เกิดเกล็ดทาให้เกิดเก่นในชีวิตได้ไม่ใช่อ่อนแอมีเก่นเหมือนไม้โคกเมื่อที่เกิดจุนโคกมักจะมีเก่นมันต่อสู้มันไม่สะดวกในการยูการชินของเขาบุญก็ไม่มี ตินก็ไม่ดีเชนไม้ป่าไม้ดองก็ไม่โคกคุณภาพต่างกันก็ไม่โคกคุณภาพดีกว่าแข็งแรงกว่าเน่นหนากว่าทำมาทำเสาออกมาทําบ้านแข็งแรงกว่าเช่นไปเชื่อไม้ลงมาก็ไม่แน่ ปลาในดงจะไม่ค่อยจะมีคุณภาพผูกพังได้ง่ายจางไม้กระดานเนี่ยเลือกไม้กระดานต้องเลือกไม้เนื้อดีๆอันนี้ไม่เต่งหลังไม่ตะเคียนอันนี้มันจะมีคุณภาพชีวิตเราถ้ามีไม่การต่อสู้สู้อะไลน์สู้ความรัก สู่ความชังได้ความรักเป็นความรักได้ความชังเป็นความชังให้ความรักเป็นประสบการณ์ใจมันเคลื่อนไหวในความรักน sa in right ิ่งในความรักต่อมาเกียดมันชังมันเคลื่อนไหวในความชังนิ่งในความชังสู้ในความรักสู้ในความชังมีสติมีสัมชัะอันว่าไม่อยู่บนโคก มันก็สร้างคุมกุ้มค้นเวลาไปไหมมันก็ไม่กระทบกระเทือนไม่เหมือนไม้ในป่าในตรงวัดป่าสุกโตไปไหมนิดหน่อยก็ไปแล้วโดนไปแล้วไม่ไม่เกลไม่เชื่อมแข็งไม้ในป่าเนี่ยถ้าไปถูกก็ตายเลยตายแล้วก็ศูนพันไปเลยไม่มีหนอง ไม่เหมือนไม้ในโคกตัดเท้าไห่ก็ขึ้นเท่านั้นมันแข็งในความอ่อนมนเก่นในความอ่อนลากก็ลึกสองสามเมตรมันจหย่ตืนมาได้มันเอาตัวรอดไม้ในดงอะลากไม่ลึกลากลอยๆไม่มีลากแก้วก็มันประมาท ประมาทมันไม่อดไม่อยากวิ่งไปทา่ไหนอาหารจะินมันดีแต่ไม่ในโคกเนี่ยมันไม่เหมีอาหารสินต้องช่วยตัวมันย่างลากลึกลงไปแห้งแรงเนินบนหินพยองช่วยตัวมันชีวิตของเราก็เหมือนกันถ้าเวลาสุก อ่อนแเป็นความสุขสุขเป็นสุขไม่ค่อยเชืมแข็งปล่อยเงื่อปล่อยตัวอลลเพลิดเพลินพอใจยิ้มใจสุขใจหมดไปลอยหลงไปเลยหลงในความสุขอ่อนไปแล้วในเรามันทุกข์อ่อนไปในความทุกข์ผ่อนไห ว, วทุกข์เป็นความทุกข์ บันไม่ยากถ้าเราจะไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายฟุตเรื่องนน้พระเจ้าจึงมั่นใจและมั่นใจที่สุดนองรักษณะเป็นคู่เข้มแข็งในความอ่อนแรงหนักแน่นในความวันไหวหวันไหวที่นั่นเข้มแข็งที่นั่นเหงอนต้นไม้ที่อาศัย ประสบการ์พัฒนาตัวเองชีวิตของเรานะ่ะมันมีประสบการณ์กับรูกทำกับนามทำแต่งสําเร็จตรงนี้สําเร็จตรงรูกทำนามทำเนี่ยลูกทำตามทำนี่ให้เกิดมาเกิดผลเหมือนพว่วงเหมือนแพร่ขี่ข้ามภาคโผคนกิดานบานรามที่ให้โลภให้นา ม, มา แต่ถ้าเราไม่รู้จักใช้ถือว่าเป็นทุกข์เป็นโทษใม่คเนเดอนรับผิดชอบเราเรียกร้องอาศัสยโทษอาอนสัยแม่เคยชิน้ะจนจะตายก็จะร้องหาพ่อหาแม่อยู่มันอ่อนแอคนต้อยที่มาตายที่นี่เป็นลมบอเลงเม็ดเลือด ฝังไว้ตรงสลาหัวใจเ่ายนรับพระทศกหลังตาขุดหลุมสลาให้ชาวบ้านมาปูกให้ขุดหลุมลงไปไปเจอกระดูกชาวบ้านทิ้งเสียมเนี่ยหลังตาขุดเดงขุดลงไปเอาก็ะดูขึ้นมาก็ดวกระดกขึ้นมาไป แบบได้ที่ฝังลงไปอันนี้เวลาเขาป่วยโรงพยาบาลอาต า, าไปดูเขาแม่แม่แม่ร้องอยู่ร้องหาแต่แม่แม่แม่อาตาก็เรียกคุณนายนะใครม่สามีเป็นนายพันนายค็นนายแต่ไม่ร้องหาแม่ ถ้คิดถึงแม่เลยถ้าคิดถึงแม่แมจะพากลับบ้านกลับไหม้ไม้ไม้ไม้ไม่กลับอยู่กับหลวงพ่ออยู่กับหลวงพ่อทำไมร้องหาแม่มันสบายใจมันสบายใจก็้าหายร้องไปนี่แหละร้องหาแม่จนตายอันนี้มันโอคนเด้อ แทนที่ว่าพุทธัทงสนนองกัดจอมีสาระมันเชื่อมแข็ง น, น, น, นะข้าเจ้าอาศัยพุทธเจ้าแล้วข้าพเจ้าจึงพ้นจากทุกข์ท้องฟวง่วงโดยตำมังสนนองกัดจอมีเชืนนะ่อมแข็งนะได้ไปร้องหาพ่อแม่อะไรก็พ่อแม่ตั้งแต่ที่พ่อแม่ก็ตายไปแล้วอ่อนแ่งต้องฝึก ตนสนตนในเข้มแข็งในสิ่งที่มันอ่อนแอง่านที่สก็น้องตาก็ช่วยดูแลเขาจนซื่งใจน้องตาก็เยืนอยู่ในอยู่ข้างเตียงในไม่หนีไปไหนเราน้องตาจะไม่ทอดไม่ที่งรับผิดชอบทุกอย่างจนเหลือแต่กระตูกก็จะรับผิดชอบต่วันไว้นะ แล้วก็สามท่าจะยิ้มแต่ยิ้มไม่ออกมันไม่เคยฝึกนั่นเราตายในความตายยังไม่ตายก็อ่อนแล้วปวงแล้วพูดถึงการมึกผลนนี้ผ่านมันเป็นกีฬาของเราเหมือนนักมวยเราขึ้นเดีทีเราจะตีกันแล้วก็ยังพ่อนลํากันอยู่ล้มมวยกันอยู่ใช่ไหมพอจะยก แต่ตีกันเนาะล้ลมไงกันอนู่ยพ้นมันสนุกเลยสนุกในความเจ็บลองดูสิสนุกในความตายจะว่าอย่างไงไม่มีปัญหากับเราเลยอันของเจ็บเจ็บตายนะนี่ชีวิตเราเกิดมาปีนี้หลองตาเกิดมาแล้วเจ็ดสิบสามปีในวันที่สิบสองที่ผ่านมา บาทนี้เข้าเจ็ดสิบสี่ไปแล้วสองหมื่นส<笑>องหมย่าอะไ ร, ะรอ่ะเกลือเลยไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วไม่ได้อยู่ตรงไหนแล้วไม่เอาความแก่ไม่เอาความเจ็บไม่เอาความตายไม่มีแล้วต้องเป็นมรรคผล涅槃ถ้าชีวิตไม่มีมรรคผลนานเกิดมาทําไมเกิดมาทุกข์ลากทำไมมาจินจิ้นนอนนอนหลบภัยอยู่ ซอยกรรมบริโภคกรมรมมาจนเป็นเรื่องใหญ่เร้่งโตเป็นมหาเจ้าตัวเเป็นมหาตคนเด่นอาหารในโลกเป็นเพียงพอเดีย๋ยวถ้าคนหนึ่งไม่โลกพอกินกันได้ถ้าคนหนึ่งโลกพอซะมันก็หมดคนอื่นไปเพราะนั้นเนี่ยเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องอันเนี่ยมันเป็นส่วนเกินลองดูชีเรากินข้าววันหนึ่งไม่เท่าไหร แต่ทำไมจึงมากงามว่าเรามีทำเป็นมรดกผลเนื้พานเรามิตรภาพแผ่นดินเรียบมันหน้ากองใสเสมอภาคชีิตต้องไปถึงจดหมายแปดทางตรเน่จี้จะคุ้มค่านี่ก็สิงหากรผ่านมาแล้วแรลมแปดข้าโต ว, วันโตคืนด้วยมรกผลเนื้พานไม่ผ่านชิมลอง นิพพานเจ้าเก่าขึ้นมาจนถึงนิพพานถาวรมันอยู่ตรงไหนเราก็ประสบกันโยชนเห็นอยู่เห็นกระแสอยู่ผู้มีสติย่อ ม, เ, า ม, ามเห็นกระแสมรรคผลนิพพานเจอมันหลงเห็นไหมเป็นผู้หลงหรือเห็นมันห ล, ล, ลงือเรามันหลงอันหลงเนี่คือโลกถ้าเป็นผู้หลงเป็นรถของโลกยังถูกโลกทับถม เห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงเหนือขึ้นไปแล้วต้องก้าวแรกออกจากโลกเพื่อสูมรักสูมผลไปแบบนี้ไม่เช่คิดว่าจะผ่านเป็นบางหนึ่งที่จะต้องไปเดินไปรอคอยไม่ใช่ผ่านเราอยู่ทุกโอกาสผ่านหน้าตาเราอยู่ทุกโอกาสส้มผัดได้ทุกโอกาสแต่ว่า ทิมลองไปเหมือนเรากินข้าวเขี้ยวคำข้าวทีละคำจะให้อิ่มเลยมันคงอิม่มในระยกค่อยๆกินไปคืนไปเราก็มาอิม่มเห็นหลงไม่เป็นผู้หลงค่อยสูงขึ้นไปเห็นทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์เจออะไรอะไรที่มันเกิดกับกายกับใจแนวแล้วไม่อยากเข้าไปเป็นกับมันให้เป็นอิสระ ต, ตรงนี้ เป็นธรรมแกตัวเองตงัวเนยมักผลนห้ผ่านเป็นทางแบบนี้ผ่านความหลงผ่านความทุกข์ผ่านความโศกผ่านความพอใจผ่านความไม่พอใจนี่คือชีวิตทแท้ๆล้วเนี่ยชีวิตอยู่ตรงเนยไม่ใช่หายใจเข้าหายใจออกอันนั้นเป็นพ่วงแผลที่ใช่ได้ถ้าไม่หายใจเข้ามาหายใจออกก็ไม่มีแพลแล้ว แต่เราใช่แล้วเราใช่ขึ้นฝั่งในแล้วพื่อแผแ่แนวเราจึงใช่แล้วคุื่คา่าแล้วขอบคุณพ่อแม่ที่เราเกิดมาขอบคุณคนทั้งโลกขอบคุณทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเราทั้งหมดในโลกแนวมีส่วนร่วมช่วยเราอยู่ดวงอาทิตย์ก็ช่วยเราแสงแดดช่วยเราละอองฝน พ่อมมีผลมีดินมีพืชต่างๆมาช่วยเราแล้ว อ, อย่างที่จตปรสุนห้เราถึงมักถึงขนมองแบบนี้แล้วว่าสิ่งแวดล้อมเหมือนนกสาลิกาหล่อมพัดตกไปอยู่คนอาทาิรทานสองตัวตัวหนึ่งอยู่ในสิ่งแวดล้อมไม่ดีตัวหนึ่งตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมดอ ก็ต่างกันตัวหนึ่งไปตกอยู่ในฤาษีพระฤาษีในฝา้แต่ศินเตรธานไมต่ภายิดงเดเมตตากรนณาอะไรต่างๆได้ยินแต่คำนี่เชื่อกันเมตตากันอย่าทุกข์อย่าโทษทานอย่าทำโทษทำให้เกิดพิษภัยแกตัวเองคนเดินตัวีสอนกันเนะ ตัวหนึ่งไปตกอยูใ่ในกลุ่มโจรก็มีแต่ฆ่ามันตีมันยิงมันเอามันเลยฆ่ามันเลยก็าไปฆ่ามันก่อนยิงมันก่อนว่าเจอใครต่อเราป้นเอาของมันแย่งเอาสอนกันแบบมันนกสลีกาสองตัวก็พูดภาษาต่างกันสีถนตา มโนลาผ่านดงอันไหนไปไปเจอนกสัิิกาอยู่กับฤาษีไปเรียนกับฤาษีไม่ความรู้กันมาใจที่เรา่าร้อนเกิดใจเฉยกันมาสงสาร ก, กันกับวเปสัตา้าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิดเจอเยิกตายอย่าเปี่ยงกันอีทนถือดาบแต่ลอยก็จะฆ่าจะได้พอไปถึงด่านฤาษี นกเสลิ ก, กามันพูดแล้วเจ้าใครบ้างจะเย็นลงพอผ่านไปไปถึงนกเสลิกาอยู่กับฝุโจรถ้าจนมาอยู่เสลิกาพ่อพ่อบ้านเขาพูดข้ามันเลยเอามาเลยไอ้มันเลยแถงมันเลย <c oughs> สีตัวต้องวิ่งหนีไปมันต่างกันนะที่นี่มันใช่ไอ้คือกองหลอกมั้มีไหมแข่งแรงเาลิกามีไหม บางทีใจดีใจงา ม, ม, มายิ้มแย้มใสมองอะไรนี้ดีหมอบางทีก็ใจร้อนใจร้ายอันนั่น่ะมันสิ่งแวดล้อมต่างหากที่มันเกิดเหตุปัจจัยอย่างนั้นเรานี่มีสิ่งแวดล้อมขนาดไหนให้กับชีวิตจิตใจเรามองชื่อจังไงใช้ชิวิจังไงโฟว์แพรบ เอาจริงเอาจังอ่อนแดดเข้มเทียเกินไปมันก็สิ่งแวดล้อมไม่ดีนะจัดสิงแวดล้อมไม่ดีมันอ่อนแดดเข้มแข็งมันหลงมานสุกวันทุกขเข้มแข็งมันจะดวกสบายมันจะอ่อนแดดเข้มแข็งสร้างสารรคชีวิตของเราเนี่ยจึงใจชื่อว่ามนุษย์นะเป็นสัตว์ประเสริฐ จึงใดที่ไม่ดีเปลี่ยนให้เป็นดีจิ่งใดเป็นทุกข์เปลี่ยนให้ไม <คน S 2> ่เป็นทุกข์สิ่ง surprise, ใดเป็นสุกเปลี่ยนมาให้เป็นสุขจึงใดพอใจเปลี่ยนมาให้พอใจไม่พอใจเปลี่ยนมให้ไม่พอใจสวนถวนกระแสสูงขึ้นใจสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆไปแล้วก็ย่อมมองอะไรเห็นเหมือน ชัยภูมิที่มีฐานดีนักลบที่มีฐานชัยภูมิดีย่อมสู้ศัตรูได้เหมือนบ้านล่มเก้าทหารไทยไปรบกับทหารลาวต้องหานไทยถูกจิงตายมากที่สุดทหารลาวไม่เต็เด็กน้อยมันอยู่ในที่ชัยภูมิดีล่มเก้ามาันสงขัวหวังไทย แล้วก็มองเห็นได้ ต, ตัวขนาดไหนก็ไรเปียบเจียมผมของชีวิตเราคือชัยชนะมันสุกไม่สุขชนะแล้วมันทุกข์ไม่ทุกข์ชนะแล้วมันอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิก็ตามถ้าไม่ปกติชนะทุกอย่างกลับมหาปกติกลับมหาปกติหัดอยู่อย่างเนี้ฝึกผลอย่างนี้หัดทําย่างนี้ ถ้าไม่ทํามันไม่เปิดละไม่ใช่รู้นะาศึกษาปฏิวัติธรรมไม่ใช่มาเอาความรู้นะหัดให้มันเป็นมันหลงรู้สึกตัวเนาะเป็นผู้เห็นไม่เข้าไปเป็นกับจิงต่างโสงขึ้นโสงขึ้นจิตใจโสงขึ้นโสงขึ้นเมื่อสงอ่อยย่อมทับถมไม่ได้ฉุกทุกย่อมทับถมไม่ได้มรรคผลนิพพานเดินไปทาเราหนะาไม่เช่ เดินจำกมไม่มเช่นนั่งยกหมือสร้างจังหวะเดินจำกมก็มีความรู้จึกตัวเพื่อเตรียมพร้อมมีสติสร้างจังหวะก็มีสติเตรียมพร้อ ม, มง่ายง่ายเมื่อเราไม่ตาเดินขึ้นก็เห็นเห็นตาในของเรานะไม่หลับไม่บอดรู้สึกตัวอยู่รู้จึกตัวอยู่เสมออิีตบทที่สะดวกสบายที่สุดเต้น อ, อนสําหรับคนแก่นะ นอนโลดจิกตัวเป็นอะไรที่วุสบายจะยกมือก็ไม่ไหวจะชกัเกเตือนยังกองก็ไม่ไหวนั่งนานก็ไม่ค่อยไหวถ้านอนนอนมากก็ไม่ไหวที่แหละต้องพอดีพ <c oughs> อล่อยเดี๋ยวนี้ย่างเข้าเมื่อบันอายุมากก็ต่างกันนะต่างเก่านะการเดินก็ไปยังน้ำเก่าอุดดอดกว่าเก่าแต่พยายามพัฒนาอยู่ จงกรมอะพยายามจงกรมทุกวันวันละชั่วโมงตอนเช้าทำมาเจก็รีบไปจงกรมอยู่ที่ทางเดินจงกรมชมทางจงกรมนานเห็นคล้องพยายามเดินไปวัยวิ่งเอา แ, แข่งแขนเอาน้องตาจงกรมเ๋ยว่นี่ไม่ใช่เหมือนม้าดุต้อง แ, แข่งแขนไปด้วยเดินไปวัยอ่าน แ, นแข่งแขนเนี่เดินช้ามลายต้องได้จังหวะกัน ถ้มาม่ไดจังหวกันถ้าเดินชา้าแจงแขนมันไม่ชาเป็นจะทํำไงจะทำไ ง, ำไงมันชาไปไม่ต้องให้มันมีพลังงา น, นก็เลยเดินจะกรงไว้สักหน่อยยาวอย่างของตานะของตานมันสภาพแบบนี้ได้ประโยชน์นะแจงแขนเนี่ยเข้มแข็งมาเพราะแจงแขนหัดแจงแขนตั้งแต่อยู่ห้องอ icu ห้อง ลงไปหวานจันทุ่มจารันนอดอ่องไปหวังก็ไม่ไกลหัดจงกรมอยู่คิดนิ้หน่อ ย, อยจารันนอดบอกว่ า, าแล้วแข่งก็เพียง 100-200 ครั้ง300ครั้งก็พอแล้วบางทีลองตามเราพัฒนาขึ้นไปให้ได้เป็นพันครั้งบางทีก็ใไอจารันนอดขิวปีขกกึ้นไปดาดฟ้าชั้นจีแข่งแข่งอยู่ มองขหนะ้าไปทางสนลมพีนีเห็นคนเขาวิ่งทํางจแะบบอมสวนลมพ้นีเขาก็กระทาไทเก๊กอนอนอยู่ที่สูงมองไปเราเมื่อไหล่เราจะเดินได้เหมือนเขานาะมีโอกาสวิ่งได้เหมือนเขาหรือเปล่าบางทีเราก็เชื่อมแข่งแข่งอีกอันหนึ่งคือเรี่ยงดีคือแสงแดดทาไมไมันต้องการแสงแดดว่า ชอบที่สุดคือแสงแดดอาบแดดตอนเช้าแสงแดดม า, อาเออตากแดดนอนเล่าลไปบนพื้นบนปูนมีไอ้ไอู้นมันตากแดดมันร่อนขึ้นมาโอ้โหค่อยๆเข้มแข็งนะเข้มแข็งเพราะแสงแดดเป็นต้นไม้ต้องมีแสงแดดอะไรต้องมีบรรยากาศไม่ใช่อยู่ในร่มเงาจอบเวลาทุกบ้างก็ดีอนะ่ะ หิวบ้างก็ดีหนาวบ้างก็ดีร้อนบ้างก็ดีย่าวันไหวชื่อว่าฝึกตนสอนตนนี่ก็เสกกันฝึกเสกกันทุกวันให้เข้มแข็งเชกคนให้เป็นพระใจดีวกว่าเขาแข็งแรงวกว่าเขาไม่ใช่เจกอิจเจกปูนลูกเสกกันแบบนี้สอนกันแบบนี้ ให้เต็มที่หรือโขดเก่ากันโขดเก่าก็ให้ไสงสร่างราศีขึ้นมาให้เลื่อมให้ใสขึ้นมาเราก็โขดเก่าตัวเองว่าเวลามันหลงรู้โขดเก่าแล้วเวลามันทุกขรู้เวลาอะไรอะไรทั้งหมดรู้ทั้งหมดเลยไม่มีสิ่งใดที่เราไม่รู้หลุดพ้นทุกอย่างหลุดพ้นนุกอย่าง หลดพ้นทุกอย่างมาหลงหลดพ้นความหลงมันทุกข์หลดพ้นความทุกข์อย่างนี้นะเรียกว่าปึกตนสอนตนแต่เหมือนกับเราว่าอยู่ร่วมกันเนี่ยมันก็มีอย่างนี้ร่วมกันทำมาเดียวกันไม่เสียเปรียบกันทุกคนก็มีกายทุกคนก็มีใจใคล้ายๆกั น, ก, นก็บัจาขาขาขาขรจุก็คล้ายๆกันเรียกแบ่งกันชินแบ่งกันฉันตามอัตภาพของพวกเราลวกว่างจนบ้าง เดีนี้เราจนนะแม่กลัวเอาขยะไปขายให้เงินหลายบาทแล้วนะที่นี่ต้องขายขยะกินแล้วนะเก็บขยะแล้วต่อไปจะหาอาสาสมัครอาสาสมัครเก็บขยะอาสาสมัครคัดเลือกขยะไปเห็นมาแล้วไต้หวันเงินขายขยะหนึ่งปีหนึ่งเป็นหลายล้านบาทอยามองข้ามนะมันมีค่า ไปเที่งกว้างถ้าไม่มีที่เที่งมาเที่งวัดป่าจุกโตก็ได้าโนดการลังทาการต้มทำถังหลองรับกันอยู่เอามาเที่งไอ้ท่านตุ้ยก็เทศบาลจุกโตกเก็บขยะอาสาสมัครมีไหมมหาสมัครคัดเลือกขยะกระดาษเอาไว้หนังโลงหะเอาไว้นหนัง <c oughs> จะเลือกไปขาย ที่นี่ขายขยะแล้วอ้าวก็เส จ, จบสมขวรเจวลา